าสนากตาพุทธะเชตวามารังสวานังจตุสัจจาสะพังระสังเยปิวิงสุนราสะพัพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายมิต้องใช้ สายธนูกำราบปราบศัตรูทั้งหมู่มานและเซนาดื่มดำอำมฤทิตรถจะตุบทยอดศาสนาอริยสัต์จะทำมาทรงแกวกลา ขวาปวงชนตันหังการาทยพุท ธ, ธาอัตวิสตินายกาสัพเพปตินที่ตาไมาห่หางมัทธะเกเ ต, เตมุนินสรา ยี่สิบแปดพระองค์มีพระชินสีสือนุสุลตันห้างกนเป็นต้นยิ่งใหญ่พนพระมุนีเชิญเสด็จพระพุท ธ, ธาประมวลมาทั้งหมด ทับจอมกระหมอ่อมนี้รักษาศีลสถาพนสีเสปติทิโตไม่ห่างพุทธโธธรรมโมทาวิโลเจเนสังโฆปติทิโตไม่ห่าง ภูเรศภคุนาการเชิญเสด็จพระพุทธเนื้อสีสังสมูศรพระธรรมล้ำบอลสนสนิทนอนนดวงตา พระทรงทรงพระคุณเกื้อก้ารุนมากนักหนาสถิตช่วงสว่วงอกคาอยู่รักษาตลอดกาลหาาเยเมอนุรุธโท สารีปุตโตจะทักคินีโกนทัญโยปิทิภาคัสมิงโมคลาโนจะวามเกศเชิญพระอนุรุธสผิจุดหาไทายสาร พระสารีบุตรปัญญาญาสถิตดานเบื้องความีพระอัญญากนทัญญาสถิตหนังเบื้องหลังนี้พระโมคคัลลาเรืองฤทธิสถิตที่เบื้องส้ายตรง ขกิเนสวะเนมัยหังอาสุงอนันทราหุโรกัสโปจะปานาโมอุภาสุงวามาโสตะเกอปูคว้าของข้าบาทขออา สุดทรงพระนนท ร, รหุนทรงทางคู่คงฝารักษากัดสะปะมานามมากด้วยความกาุนาสถิตอยู่หูส้ายข้าทุก สทาวนเกเซนเตปิธิพาคัสมิงสุริโยวะปพังคโรนิสินโอซิริซัมปันโนโซพิโตมุนิอุงคาว ขอเชิญพระโสพิทสิริริตมาหิตสอสนดุดดังดวงพินาก ร, รอยเดชจนทรงแสงพันเผาพงพระมุนีเรืองรัศมีชวีวัน สถิตนางปลายผมนานนักเบืองลังระวังภายอุมาร ก, กัดสะโปเทโรมาเหสีจิตวทฒโกโสไมยห่างวัทเนนิจังปิติ หาศิคุณากรุพระกุมารกัดสปะมะทุระสนียงสายกล่าวทำเพราะจับใจสถิตปากตลอดกาล คุลิมาโลจะอุปาลีนันทศิวลีเทลาปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลก า, ามามงพระปุณณเทะระพระนันท แกอกล า, ารอีกครั้งองคุลิมานกับทางท่านอุบาลีเอกองค์มหาลาภอน้อมกราบ พ, พระศิวลีทางห้าองค์ทรงฤทธิ มงคลสิ้นเอเนกอนันต์โปรดเป็นเครื่องจุนเจอมอยู่เฉลิมหน้าผากพลันภูนเพิ่มส่งเสริมควันสถิตมั่นนิรันดร์กาล เศสาสิติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตาวันโตชินโอราซาชาลันตาศิลาเตเชนัอังคะมังเคสุสันทิตา แปดสิบพระเทระเอตะกคมหาสาลโอรงพระทรงยานพิชิตมันมิ่งโมลีพระสาวกผู้ยิ่งใหญ่ทรงชัยเลิศประเสริฐสี โอยเด็ดสิ้นบารมีสถิตทั่วสันพังกายพระตานางปุระโตอาสิงทักขิเนเมตังสุตะกังท่าชักขังปัจจโตอาสิง ว่าเมอังคุลิมาละกังรักตนะสูตรอยู่ข้างหนา้เาเมตสูตรมาความายท้าชักขสูตรหลังสบายองคุลิมานสูตรสายสวัสดี ขันธโมระปริตตัญจอาตนาณิตยสุตตังอากาเซชะขันธังอาสิงเสสาปาการสันทิตาขันธโมระปริตวิปัสสิต ราพูธีคืออาตนาปิยะสูตรมีจงเกิดเป็นเช่นหลังคาป้องภัยในอากาศได้สมมาอัตปรันธนาเลือจากที่กล่าวมา สรงรักษาเป็นประการชินานาวาราสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาวตาปิตตาที่สัญชาตาภาหิรัชัตตุปัตทวา อำนาจพระชินพุทธวิเศษสุดปติหารเป็นกรองทองป้องภัยพานกำแพงเจ็ดชั้นกั้นภัยรีอุบัติเหตุและโรครคยทั้งายนอกภายในมี เกิดแต่ลมและแต่ดีเป็นตนนี้ต่า ง, างกันอเสสาวินายังยันตุงอนันตะชินเตชะซาวาสโตเมสกิจเจนะ ศรัทธาสัมพุธทธาปันเชเรจงหายขาดพินาศิ้นสมทวินโดยเร็วพลันด้วยเดชชินนันมากขนาดสุดพันนาน ข้าเจ้าเข้าอยู่ในบัญชนชายพระศาสนานสมเด็จพระสัมมาสัมพุท ธ, ธังตลอดกาลชินบัญชระมัดชำหิง วิหารตังมหิตเลสถาปะเลรนตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาขอพระพุทธสุดประเสิฐแสนลำเลื่อดและกลาง สาวกทรงผู้ทรงยานอันเชิญมาบันดามีคุ้มครองข้าอาศัยในบันชนชัยพระชินศสีภายในพื้นเมธนีสวัสดีตลอดกาล เจวามัโตสุขโตสุรักโขชินานุภาเวนังชิตูปัทถวโอธรรมานุภาเวนังชิตาริสังโฆสัง คานุภาเวนาชิตันตรายุสัรรมานุภาวะปาลิโตจรามิชินปัญชเรตีขอพระพุทธมนีคุ้มครองดี ดังกล่าวขานรักษาดีอย่ามีมานมาพะจนเข้าดนใจขออนุภาพพระพุทธจงชนะอุบัติภัยอนุภาพธรรมหมายได้ชนะ ผู้ภัยรียุปสักดที่ขัดขวางจงห่างหายมาลายนี้งอกงามคุณความดีสิ่งอับเรียห่างใจกายอนุภาพพระสังฆะจงชนะอัน ตรายคิดได้ให้สมหมายสุขสบายสถาพรศัทธธรรมมนุภาพสึมซาบธรรมคำสั่งสอนรักษาคาอยู่ทาวนในบัญชนพุ่นธรรม เดชาพระปริตจมประสิทธิ์อิทธิพลให้เราท่านทุกคนประพฤติธรรมก็กรรมดีละเว้นเบียดเบียนกันความชั่วนั้นให้ห่างดีมู รักสามคัคคีดุดน้องพี่ร่วมเรือนชาญทั่วทินดินแดนไทยอย่าให้ใครมารุกรานอยู่เย็นเป็นสุขสานจิตชื่นบานทั่วธานี เพิ่มพูพนพ้นผลิตเศรษฐกิจวิสิตสีพืชผลอุดมดีเงินทองมีมากนันอายุยืนยิ่งร้อยปีวันะชวีพองผิวพรรณ สุขเสริมเฉลิมควันภลระกำลังกลางสถาพรผู้อ่านฟังสวดแล้วจิตพ่องแผ้วสมสนด้วยเดชพระชินนบัญชรศบสุขสรรนิรัน